ในบรรดาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีความวิเศษเท่ากับพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจ ของสัตว์โลกให้หมดไปได้อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกได้นอกจากพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนี่คือความวิเศษของ พระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่สามารถปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นสิ่งที่สัตว์โลกคือมนุษย์ที่ใฝ่การหลุดพ้นจากความทุกข์สามารถเข้าถึงได้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนสามัญ หรือเป็นผู้มีตำแหน่งมีศักดิ์มีสีอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดเผ่าใดเพศใดสามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ถ้ามีศรัทธา และมีอิทธิบาทสคือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาศรัทธาคือความเชื่อในความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉันทะคือความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะพักดันจิตใจของตนให้ก้าวล่วงสู่กา ร, การเวียนว่ายตายเกิดให้ก้าวล่วงเข้าสู่พระนิพพานคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จตตะคือใจที่แน่วแน่ต่อการหลุดพ้นต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นวิมังสาความคิดไข้กวนเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดบุคคลใดถ้ามีศรัทธาและมีอิทธิบาทศีแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนจนหรือคนรวยเป็นคนธรรมดาสามัญหรือเป็นพระราชามหากษัตริยยกรัฐมนตรีประธานาธิบดีก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความวิเศษ ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เลือกชนชาติชั้นวรรณะไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เหมือนกับสิ่งวิเศษที่มีอยู่ในโลกนี้การที่จะเป็นสมาชิกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีเงื่อนไขบางประการที่ทําให้คนอื่นไม่มีไม่มีคุณสมบัติ ก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกได้เช่นอยากจะเป็นสมาชิกของสนามก๊อฟก็ต้องมีเงินค่าสมัครเงินค่าอะไรต่างๆถ้าไม่มีเงินก็จะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้แต่การเป็นสมาชิกของพระพุทธศาสนา นี้ไม่ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับทางด้านทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ต้องมีศรัทธาความเชื่อมีอิธิบาทสี่นี่คือคุณสมบัติที่จะทำให้ผู้ที่เข้าหาพระรัตนตรยัยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะ หลักตัวประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งการที่จะมีที่พึ่งนั้นจำเป็นต้องน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกเข้ามาสู่ใจ ถึงจะมีที่พึ่งได้ตอนนี้ที่พึ่งที่เรามีกันยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่เรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แสดงว่าเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของพวกเรา ถ้าเราไม่มีความทุกข์แล้วถ้าเรารู้ว่าเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนั่นแหละแสดงว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของพวกเราแล้วตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรามีกันยังถือว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกอยู่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจ เหมือนกับยารักษาโรคที่มีขายตามร้านขายยาตามโรงพยาบาลเป็นยาที่วิเศษที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้แต่ถ้าไม่นําเอาเข้ามาในร่างกายคือไม่รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ร่างกายในร่างกาย ก็จะไม่มีวันที่จะหายได้จำเป็นที่จะต้องรับประทานยายาจะวิเศษขนาดไหนแต่ถ้าไม่เข้าไปสู่ร่างกายยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจโรคใจก็คือความทุกข์ ความเกิดแก่เจ็บตายการที่จะดับความทุกข์ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้จำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่มีจิตศรัทธามีอิทธิบาทีมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ที่จะดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปจำเป็นที่จะต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจวิธีที่จะน้อมนำเข้ามาสู่ใจก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวชนี่เองปริยัติก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาพระประวัติศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของพระอาหารหันตสาบกและวิธีปฏิบัติของพระอาหารหันตสาบกเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเรารู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราปฏิบัติตาม ผลก็จะเป็นผลที่ถูกต้องคือการหลุดพ้นเช่นที่เช่นที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันขั้นตอนแรกคือขั้นตอนแรกสําหรับการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมการศึกษา คำสอนศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอาหารหันตสาวกว่าท่านดำเนินท่านปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรท่านสอนให้เราปฏิบัติกันอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามด้วย ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขั้นต้นก็มีศรัทธาความเชื่อเชื่อเพื่อที่จะได้ศึกษารายละเอียดต่างๆเมื่อรู้จักรายละเอียดแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทานและทรงสละ ทรงปฏิบัติการให้ทานเป็นตัวอย่างคือการสละพระราชสมบัติทรงเห็นว่าสมบัตินี้เป็นเครื่องทวงจิตใจไม่ให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหมือนสมอเรือที่จะดึงเรือไม่ให้วิ่งไปวิ่งมาได้เรือที่ต้องการที่จะวิ่งไปมา จำเป็นที่จะต้องถอนสมอเรือเรือถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของผู้ที่ต้องการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องออกจากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆถ้ามีก็มีเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติต่อการดำรงชีพเท่านั้น เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีอัฐบริขารพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีอัฐบริขารมีสมบัติอยู่แปดชิ้นด้วยกันที่เป็นสมบัติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและต่อการปฏิบัติธรรมคือบาตรไว้สำหรับหาอาหารไตรทีวรผ้าสามผืนไว้สำหรับนุ่งหม่มประคตเอวไว้สำหรับรัดเอว มีดโกนไว้สําหรับโกนศรีรษะและโกนหนวดเข็มกับได้ไว้สําหรับปะเย็บจีวรและที่กรองน้ําไว้สําหรับตักน้ําขึ้นมาดื่มมารับประทานจากลําห้วยจากลําทานที่มีตัวสัตว์อยู่ต้องใช้ที่กรองน้ําตักขึ้นมาก็จะได้น้ำปะสัตว์จากตัวสัตว์มาดื่มมารับประทานนี่คือ ทานของพระพุทธเจ้าทานของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านทำทานแบบนี้พวกเราในเบื้องต้นเราก็ทำจากน้อยไปหามากเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนจากชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นอุดมศึกษาการทำทานก็ทำไปตามกำลังของศรัท ธ, ธา และสติปัญญาถ้ามีศรัทธามากมีสติปัญญามากก็จะเห็นโทษของการยึดติดอยู่กับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะรู้ว่าจะทำให้ไม่มีเวลาไปบำเพ็ญไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เมื่อมีสติมีปัญญาเห็นชัดเจนว่า การยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นโทษต่อการปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกันท่านสละทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆสละความสุขของการอยู่แบบค า, ารวะ ความสุขที่ความการอยู่ด้วยความสุขจากการเสพกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงเกิดโลดโพธพะะเจ่งเหล่านี้เป็นอุ ป, ปรสรรคเป็นนิวรนที่จะขวางกัน้นการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านจึงสลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปไปดำรงชีวิตอยู่แบบนัก บ, บวชผู้ที่ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ยึดติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายอันนี้เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นคือทาน ชะละเพศของคาวาะเพื่อจะได้เข้าสู่เพศของบรรพชิตของนักบวชเมื่อได้เข้าสู่เพศของบรรพชิตเข้าสู่เพศของนักบวชแล้วก็รักษากายวาจาให้ตั้งอยู่ในความปกติคือไม่ให้กระทําในสิ่งที่จะทําให้เกิดโทษตามมาเพราะการกระทําที่เกิดโทษ จะทำให้จิตใจนั้นไม่สงบจะทำให้จิตใจทุกข์วุ่นวายการกระทำที่ไม่เกิดโทษคือการรักษาศีลข้อบัญญัติต่างๆนี้จะเป็นการปกป้องรักษาใจไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดความวิตกกังวลต่างๆอันนี้ เป็นขั้นที่สองที่ท่านได้ปฏิบัติกันก็คือการรักษาศีลรักษาศีลนี่ก็มีศีลหลายแบบแต่ก็ถือว่าเป็นศีลที่อยู่ในอยู่ในเครือเดียวกันเพียงแต่ความละเอียดมีความแตกต่างกันไปศีลแปดศีลสิบศีลสิบก็จะละเอียดกว่าศีลแปด ศีลสองร้อยยีิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าอันนี้ก็จะละเอียดเข้าไปเพื่อจะได้ควบคุมบังคับการกระทำทางกายทางวาจาไม่ให้ไปสร้างปัญหาให้แก่จิตใจที่จะต้องคอยตามแก้แล้วจะทำให้จิตใจไม่สงบไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือขั้นที่สองที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกันหลังจากที่ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละชีวิตของขารวาสผู้ครองเรือนมาเป็นชีวิตของนักบวชผู้ส่งศีลส่สงศีลก็คือการรักษาศีลข้อห้ามต่างๆตามฐานะของผู้ปฏิบัติได้ยังเป็นขารวาส ถ้ายังเป็นยังไม่ได้เป็นนักบวชยังอยู่คลองเลอนอยู่แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดำรงชีวิตแบบคารวาส<ม>ก็ถือศีลแปดหรือศีลสิบไป<ม>ถ้าบวชก็ถือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยี่บเจ็ดหรือศีลสาม้อยกว่าศีลสิบก็ศีลของสา ม, มเณรศีลสองร้อยยี่บเจ็ดก็ของพระภิกษุ และศีลสามร้อยกว่านี้ก็เป็นของพระพระภิกษุณีซึ่งสมัยนี้พระภิกษุณีนั้นได้อันศูนย์หมดไปแล้วเนื่องจากไม่มีการบวชกันอย่างต่อเนื่องเมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็จะไม่สามารถที่จะบวชภิกษุณีได้เช่นเดียวกับภิกษุนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าต่อไป ไม่มีผู้มาบวชเป็นพระภิกษุกันก็จะไม่มีพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาทำการบวชให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามีอิทธิบาทสก็จะไม่มีการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพาน เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือเป็นภิกษุณีก็ยังสามารถที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ตราบใดที่ยังมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตราบใดที่มีอิทธิบาทสีตราบใด ที่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏอยู่ในโลกนี้คือมีประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอานันตสาวกมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ผู้ที่มีความสนใจมีศรัทธาความเชื่อมีฉันทาวิรยิยะจิตตะวิมังสาก็ยังสามารถที่จะ ปฏิบัติและบรรลุผลได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมีพระภิกษุสงฆ์หรือพระภิกษุณีอยู่แล้วก็ตามเพราะประเด็นสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีมีภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีหรือไม่มีการ ม, มีการบวชแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ หลับใดถ้ายังมีการบวชทางใจอยู่ยังมีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่ก็ยังสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตายแต่อาจจะยากเพราะว่าจะไม่มีผู้ที่ ปฏิบัติตลุดพนแล้วเช่นพาาระอรลันตสาวกมาคอยเป็นผู้ชี้แนวทางให้ต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเองจากหนังสือธรรมะต่างๆก็อาจจะใช้เวลามากหน่อยต้องลองผิดลองถูกเพราะเวลอาอ่านนี้ก็อาจจะ แปลความหมายผิดไปเข้าใจผิดไปได้พอแปลความหมายผิดเข้าใจผิดก็ปฏิบัติไม่ถูกก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้ามีความพยายามเมื่อรู้ว่าปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้ผลก็ลองปฏิบัติอีกแบบดูทดลองไปตามที่จะเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังหรือได้อา่าน หรืออาจจะอ่านได้ยินได้ฟังไม่มากพอก็ต้องค้นคว้าศึกษาอ่านให้มากขึ้นฟังให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้แล้วก็จะได้ปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ดังที่มีคำตัดไว้ว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติธรรมสมควรแกท่ทรอยู่ ตราบนั้นพระอาหารหันต์จะไม่สูญจากโลกนี้ไปไม่ได้มีคําพูดว่าตราบใดถ้าไม่ถ้าไม่มีพระภิกษุสงหรือพระภิกษุณีสงอยู่ในโลกนี้แล้วตราบนั้นจะไม่มีพระอาหารหันต์แล้วเอไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นการมีสงหรือไม่มีสงนี้เป็นองค์กระ ถ้าเป็นองค์กรที่ปราศจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรต่อธรรมก็ไม่มีประโยชน์ใดอย่างใดถ้าเป็นสง์ก็ต้องเป็นสง์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นได้จะได้อาศัยผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นผู้นําทางแต่ถ้า ผู้หลุดพ้นนั้นได้ตายกันไปหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวแทนของผู้ที่หลุดพ้นก็คือคำสอนต่างๆของท่านเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพรรทมคำสอนของเราที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา อย่างนั้นถ้ายังมีพระธรรมคาสอนอยู่ในโลกนี้และมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีองค์กรของสงหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามก็ยังสามารถที่จะบาเพ็ญและปฏิบัติให้หลุดพ้นได้นี่อาจจะเป็นยุคปลายๆของพระพุทธศาสนาก็ได้เมื่อสงได้เสื่อมลงไปเช่นภิกษุณีสงได้เสื่อมหมดไป ต่อไปภิกษุสงฆ์นี้ก็อาจจะเสื่อมหมดไปถ้าไม่มีผู้ที่สนใจที่จะมาบวชกันแล้วก็มาปฏิบัติกันอย่างถูกต้องอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะไม่มีผู้มีศรัทธาที่อยากจะมาบวชกันก็จะไม่มี อ, องค์กรคือ พิกษุสงเหลืออยู่ในโลกนี้แต่ถ้ายังมีคำสอนอยู่แล้วมีผู้ที่สนใจมีศรัทธามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาผู้นั้นก็ยังสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติให้หลุดพ้นได้แต่อาจจะใช้เวลานา น, านกว่าการที่มี มีผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วนำทางแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์ที่หลุดพ้นแล้วนี้ก็ยังเป็นอาจารย์ได้อยู่ขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้ศึกษาของผู้ที่ได้ยินได้ฟังว่าจะเข้าใจความหมายของคำสอนเหล่านั้นได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องก็จะสามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการน้อมเอาพระธรรมคำสอนคือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอาหารหันตาสาวกเข้ามาสู่ใจขั้นแรกเรียกว่าขั้นศึกษาปริยัตตต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่ทรงได้สอนและได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาทำทานสระสมบัติเข้าของเงินทองรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็ขั้นที่สามก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาด นี่คือขั้นตอนสองขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาและของการปฏิบัตินต้องรู้ว่าจากวิธีทำใจให้สงบว่าทำอย่างไรและททำไมต้องทำใจให้สงบก่อนถึงจะไปสู่ขั้นของการทำใจให้ฉลาดได้ทำใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ เป็นเหมือนกับสมอเรือที่จะถ่วงใจไม่ให้ไปสู่พระนิพพานได้กรนี้ก็ต้องศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติขั้นแรกที่ต้องทำใจให้สงบก็เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่ได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายไปแต่เป็นการปล่อยวางชั่วคราว เพราะว่าเวลาที่ทำใจให้สงบนั้นใจก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยลาบยศสรรเสริญปล่อยรูปเสียงกลิ่นลดปวดัมพะปล่อยธรรมอารมณ์ต่างๆใจก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ผู้บำเพ็ญจำเป็นจะต้องพบกับความสุขอันนี้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่จะยืนยันให้ผู้ปฏิบัตินั้นมั่นใจว่ามาถูกทางแล้วและจะเป็นสิ่งที่จะให้กำลังใจต่อผู้ปฏิบัติให้สละสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้สละให้หมดไป ก็คือสละความอยากต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจการทำทานการรักษาศีลนี้ได้สละสิ่งภายนอกไปสิ่งนอกกายนอกใจแต่ยังไม่ได้สละสิ่งภายในคือยังไม่ได้สละร่างกายยังไม่ได้สละขันห้ายังไม่ได้สละใจ ธรรมารมณ์ที่มีอยู่ในใจอันนี้จําเป็นจะต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานในการสละสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบจะไม่มีกําลังใจจะไม่มีกําลังที่จะสามารถปล่อยวางความสุขที่ได้จากขันท่าและธรรมารมณ์ต่างๆ นี่คือความจาเป็นความสำคัญของการทำใจให้สงบต้องมีสมาธิต้องมีอุเบกขาต้องมีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ พ, พอมีแล้วทีนี้พอออกจากความสงบมาใจคิดปรงแต่งไปทางความอยากก็จะได้ใช้ปัญญาคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่า สิ่งต่างๆที่ใจอยากได้มานี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผธพ้หรือร่างกายขันห้าหรือธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ ของเราอยากจะให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่อยากจะให้มันหายไปเร็วๆมันก็จะไม่หายไปถ้าเกิดความอยากกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้คือทรงเห็นสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน เนอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เห็นว่าสวยว่างามเช่นร่างกายก็ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพราะว่าส่วนที่ไม่สวยไม่งามนี้ก็มีอยู่เพียงแต่ถ้าไม่มองก็เหมือนกับไม่เห็นเหมือนกับไม่มีแต่ถ้ามองก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ มีทั้งส่วนที่น่าดูและส่วนที่ไม่น่าดูถ้าดูแต่ส่วนที่น่าดูก็จะทำให้ยึดติดให้เกิดตัณหาความอยากมีร่างกายนั้นมาให้ความสุขกับตนแต่ถ้าเห็นอีกส่วนหนึ่งเห็นในส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่อยากได้ร่างกายนั้นมา เป็นเครื่องให้ความสุขกับตนก็จะสามารถปล่อยวางความสุขทางกามาล่มได้ทางการมร า, าคะได้สามารถปล่อยวางร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆได้ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เทีย่ยมมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสามารถปล่อยวาง สุขเวทนาทุกเวทนาได้ด้วยการเห็นว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไปติดกับเวทนาก็ต้องเจอทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเวทนาก็ต้องปล่อยวางไม่ไปมีความอยาก กับเวทนาเวทนาจะสุขหรือทุกข์ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจยังยึดยังติดอยูอ่คือการยึดติดในขันท่ายึดติดในธรมรมอารมณ์ ที่มีอยู่ภายในใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านั้นต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญไปหมดไป นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่เกิดจากความหลงความหลงก็คือการไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาเวลาเห็นอะไรนี้เกิดความชอบเกิดความอยากได้ขึ้นมาก็เพราะเห็นว่าเป็นของ ถาวรได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะให้ความสุขเราไปเรื่อยๆจะเป็นของเราไปเรื่อยๆนี่คือความหลงที่เป็นตัวนำจิตใจของสัตว์โลกให้หลงติดอยู่กับกองทุกข์แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตากองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด ยังจำเป็นต้องใช้ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่ยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จำเป็นที่ต้องหมันเจริญอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรนี้ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงก่อนแล้วเดี๋ยวก็ดับไปมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามไม่มีอะไรที่นิ่งที่เหมือนเดิมต้องมีการเปลี่ยนไปต้องมีการเสือ่อมมีการหมดไปในที่สุดต้องฝึกสอนใจให้มองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในแนวนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบุคคลใดต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเพื่อจะได้ตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจถ้าจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุด้วยผลได้อยู่แต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากคือทำไปตามเหตุตามผลต้องการที่จะทำอะไรก็ทำไปหาเหตุว่า เหตุอันใดทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็สร้างเหตุนั้นขึ้นมาแต่จะสร้างได้มากได้น้อยเต็มที่หรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาสร้างได้เต็มร้อยก็ดีไปสร้างไม่ได้เต็มร้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรยินดีที่จะรับกับผลที่เกิดจากเหตุที่เราสร้างขึ้นมาใจก็จะไม่มีวันทุกข์กับสิ่งต่าง ทำงานทำการกับเรื่องใดก็ไม่ได้ทุกขกับมันทำเท่าที่ทำได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นดีกว่าไม่ทำถ้ามองอย่างนี้มันก็จะจิตใจก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์แต่ถ้าทำด้วยความอยากว่าจะต้องได้เต็มที่เต็มร้อยตามที่ได้วางแผนไว้พอแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ มีเหตุการณ์มีตัวแปรอะไรมาทาให้แผนต่างๆนั้นไม่ครบถ้วนทำไม่สมบูรณ์ผลก็จะไม่ได้สมบูรณ์ถ้าอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาจะต้องพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะมาทำให้มันสำเร็จให้ได้สมบูรณ์ให้ได้เพื่ออะไร เพื่อสิ่งที่ทำํำเด็จสำบูนเดียวมันก็เสื่อมหมดไปอยู่ดีเพราะสิ่งต่างๆที่ทำกันอยู่ในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวร น, นั่นเองเราต้องมองตัวนี้ไว้เราทำอะไรเราจะได้ไม่วุ่นวายใจทำไปเท่าที่ทำได้ได้มากได้น้อยในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีกรุงศรีอยุธยากรุงสุขโขทยัยสร้างกันมาแทบเป็นแทบตาย ต่อสู้ค่าฟันกันมาเพื่อปกป้องรักษาการท่าเป็นท่าตายแล้วเป็นอย่างไรผลของมันเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นซากปราหักพังไปหมดนั้นสิ่งต่างๆที่เราทํากันอยู่นี้มันก็อย่างนั้นต่อให้มันดีขนาดไหนให้มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์วันเวลาผ่านไปในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปกลายเป็นซากปลากพังอยู่ดี ถ้าเราไปเครียดไปวุ่นวายกับมันทำไมเราสามารถทําแบบไม่เครียดแบบไม่วุ่นวายได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ปัญญาแต่ปัญญาที่เราต้องการใช้ที่ปลดเปื้องจิตใจของเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือต้องเห็นขันธ์ห้าเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตาเห็นธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจว่าเป็นอนัตตาเห็นอสุภะในร่างกายนี่คือปัญญาที่เราจําเป็นที่จะต้องเจริญเพื่อที่จะได้ทําให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไป ยึดไปติดไปอยากกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองพ่อไปหลงคิดว่าเป็นความสุขคิดว่าขันห้าให้ความสุขกับเราคิดว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดร่างกายนี้วันหนึ่งมันก็จะต้องสูญหมดไปกลับเกินสู่เจ้าของเดิมคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะสอนให้ใจฉลาดไม่ให้หลงยึดติดกับกองทุกข์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นกองทุกข์เพราะว่าเหมือนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้ามีปัญญาเห็นได้ตลอดเวลาสามารถแก้ความหลงแก้ความอยากได้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมา ต่อไปความหลงความอยากก็จะหมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็น เ, เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ปราศจากภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นใจที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือวิธีการดำเนินการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ตถาคต ท่านดำเนินด้วยทานศีลและภาวนาท่านจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับภารกิจการงานอย่างอื่นในช่วงที่ท่านกําลังปฏิบัติทำทั้งสามขั้นนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยดูคูบาอาจารย์ต่างๆท่านเข้าป่าเข้าเขาแล้วก็พุ่งไปที่การภาวนาภาวนาจนหลุดพ้นแล้วจนสําเร็จแล้ว ท่านเึงค่อยออกมาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีมาสั่งมาสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปแต่ในช่วงที่ท่านบำเพ็ญนี้ท่านไม่ทํากิจกรรมเหล่านี้ไม่สร้างวัดไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีไม่สั่งไม่สอนใครทั้งนั้นขอสั่งสอนตัวเองก่อนสอนตนให้ได้ก่อนเมื่อสอนตนได้แล้วถึงจะไปสอนผู้อื่นต่อไป ถ้าสอนตนยังสอนไม่ได้แล้วจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรนี่คือหลักของการน้อานำเอาพระพุทธพระธรรมเข้าสงเข้าสู่ใจเพราะว่าเวลาที่บรรลุธรรมแต่ละขั้นก็จะมีธรรมปรากฏขึ้นมาให้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ที่บรรลุธรรม พอบรรลุธรรมเห็นธรรมก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นธรรมนี้มาก่อนแล้วได้นําเอามาสอนพวกเราอีกต่อห น, นึ่งพอพวกเราปฏิบัติตามเราก็เห็นธรรมต่อให้เราไม่เคยพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยก็ตามแต่ถ้าเราได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่ เหมือนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ได้ตายจากพวกเราไปถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วแต่เวลาจิตเรานี่บรรลุทำได้เห็นธรรมขึ้นมาได้นี้เราจะไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะเราเห็นแล้วเห็นธรรมแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ เห็นธรรมนะผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตัฐาคดได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือผู้บรรลุธรรมนั่นเองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้า และเห็นพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกที่ก็คือใจของผู้ที่บรรลุธรรมนั่นเองนี่คือการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมเข้าสงสู่ใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมพอด้านบรรลุธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ประดิษฐานอยู่ภายในใจแล้วมีที่ปกป้องคุ้มครองรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แล้วถ้ายังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่ก็จะถูกกำจัดด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในใจนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกอีกต่อไปเพราะว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของแท้ของจริงอยู่ในใจแล้ว เหมือนกับผู้ที่ได้รับประทานยาเข้าไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องอาศัยยาภายนอกอีกแล้วมียาที่เข้าไปในร่างกายที่จะทําหน้าที่รักษาบําบัดโรคภยัยไข้เจ็บได้ร่างกายให้หมดไปได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอาศัยยาที่อยู่ข้างนอกอีกต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจได้แล้วเราก็จะสามารถ ใจพระพุทธธรรมพระสงค์นี้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เพราะขั้นแรกที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมนี้ยังไม่ได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคือขั้นพระโสดาบันนี่เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมหายสงสัยในพระพุทธพธรรมพระสงค์ ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางขันห้าได้แต่ยังปล่อยวางส่วนอื่นไม่ได้เช่นการมารมและธรมรมารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจอันนี้ก็ต้องใช้พระพุทธพธรรมประสงค์ที่ได้ประดิษฐานไว้ในใจนี้เป็นตัวเข้าไปจัดการต่อไปแล้วก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้หมดไปได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเพราะว่าถ้ายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกอยู่ถ้าเวลามีข้อสงสัยหรือติดขัดตรงไหนก็สามารถอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเป็นผู้ช่วยชี้บอกแนวทางของการแก้ปัญหา ทำให้การปฏิบัตินั้นก้าวไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีอันนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยยกตัวอย่างหลวงตาท่านอยู่ในธรรมขั้นสุดท้ายแต่พอดีช่วงนั้นผ้าจารย์ของหลวงตาคือหลวงปู่มัน่นท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปหลวงตาท่านบอกว่าตอนที่เกิดปริสนาธรรมขึ้นมานยภายในใจ ถ้านํามาไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นจะแก้ให้ได้อย่างทันทีทันใดแต่เนื่องจากที่หลวงปู่มั่นได้มโนาภาพไปดาวปิตินธรรมอันนี้พึ่งปรากฏขึ้นมาหลวงตาเลยต้องแบกปิติณาธรรมนี้ไว้อยู่ถึงประมาณสามเดือนด้วยกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนในที่สุดก็ได้คําตอบแต่ต้องใช้เวลาถึงสามเดือนด้วยกัน ถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ท่านบอกว่าพอไปเล่าให้ฟังปั๊บนี้พอหลวงปู่มั่นชี้ปั๊บนี้ก็ปล่อยได้ทันทีเลยวางได้ทันทีหลุดพ้นได้ทันทีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองไปเกาะไปยึดไปติดนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปล่อยเพราะความวิเศษความอัศจรรย์ของมันนั่นเองทําให้หลวงคิดว่าเป็นธรรมันที่แท้จริง หลังจากที่มีปัญญาคอยเฝ้าดูคอยสังเกตดูก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการขึ้นมีการลงก็เลยทาให้จับประเด็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ที่เป็นตัวผิดตัวภัยไม่ใช่เป็นตัวขุนตัวประโยชน์ก็ปล่อยวางพอปล่อยวางก็หลุดได้หมด คนจากทุกจากจากภัยได้ด้วยตนเองเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้ว mm. เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลามากหน่อยถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกมีประสบปการณ์ผ่านมาแล้วเป็นผู้ให้คําแนะนําก็จะสามารถที่จะหลุดได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ mm. อันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบ เ, เล่าให้ฟังว่า ถ้าเราได้เข้าสู่พระนิเข้าสู่กระแสพระนิพานก็คือได้เข้าสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ภายนอกแล้วถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรามีครูบาอาจารย์ภายในใจของเราแล้วคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจเรารู้จักแนวทางวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของใจได้แล้ว เพียงแต่ว่ามันเนื่องจากเราไม่มีประสบะการณ์เวลาเจอปัญหาเรายังอาจจะงงอยู่ไม่รู้ว่าจะจับมันตรงไหนดีจับหัวมันมด้วยดีหรือจับหางมันดีก็ลองผิดลองถูกไปจับหางมันก็อาจจะถูกมันกัดได้ไปจับหัวมันก็อาจจะถูกมันกัดได้ถ้าจับไม่เป็นก็ต้องลองผิดลองถูกดูเดี๋ยวก็รู้เองว่าจับยังไงถึงจะถูกแล้วก็จะ ค่ามันได้จับมันได้คือตั้งแต่เป็นธาโสดาบันขึ้นไปแล้วนี้สมมติถ้าเกิดตายไปอย่างกระทันหันแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอลไรสำหรับท่านท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาอยู่ข้างในแล้ว ท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อไปเลื่อนขั้นขึ้นไปจากโสดาบันเป็นสกิดาคามีจากสกิดาคามีเป็นอนาคามีจากอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์ไปตามลําดับได้ด้วยตนเองท่านถึงเรียกว่ากระแสสู่พระนิพพานพระโสดาบันคําว่าโสดานี้มาจากคําบาลีว่าโสตะโสตะนี้แปลว่ากระแสกระแสสู่พระนิพพานนั่นเอง ผู้ดใดถ้าได้เข้าสู่กระแสนี้แล้วกระแสนี้ก็จะพาไปสู่พระนิพพานเป็นเป็นจุดสุดท้ายของการของกระแสนี้จุดหมายปลายทางของกระแสนี้คือพระนิพพานไม่ได้ไปทางอื่นไม่ได้ไปทางวัฏฏสงสารอีกต่อไปออกจากทางของวัฏฏสงสารเข้าสู่ทางของพระนิพพานนี่คือเรื่องของการ สร้างสาระที่เพิ่งต่างใจต้องสร้างด้วยการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอาหารหันตสาวกศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มขัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้บรรลุผลต่างๆขึ้นมา พอบรรลุก็จะได้หลุดพ้นเป็นขั้นๆไปจนในที่สุดก็หลุดพ้นได้อย่างเต็มที่ได้เข้าถึงพระนิพพานยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ด้วยการน้อมเอาพระรตนตรัยภายนอกคือพระประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอรันตสาม และคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระอนันตสาวกเข้ามาในใจด้วยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นนี่คือแนวทางของการสร้างสราระสร้างที่พึ่งถังใจขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิตติจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิด ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวะไรวาหาปุราตาริกปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิชิตังปัติตางตุมหังคิปะเมวะสมิตจัตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ พิวาทนสีริสะนิจังวุธาปะจายโนยตาโรธราวะทานติอายุวโนโสุขังภาลางอต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถาม อยากจะถามก็ขอเชิญถามตอนนี้ได้เลยพอหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามไม่ตอบอีกต่อไปเจ้าที่ขอถามก่อนนะคะท่านคะนถามเกี่ยวกับไม่ทราบว่าจะเป็นธรรมมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากได้คำคำคำที่จะไปช่วยปลดทุกข์ได้ในที่ทรามาาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีความทุกข์แล้วก็มีคนที่เหมือนกับว่า คอยกั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็พยายามใช้คําว่าปล่อยวางปล่อยวางแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าจากหาหมดปัญหานี้ก็จะมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยบางท่านก็จะบอกว่าเราคงทํากรรมกับเขาไว้ในชาติที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกแล้วงั้นเราจะทํายังไงให้หมดกรรมกับเขาอะค่ะจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่การรับผลกรรม แต่ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากความที่ความอยากไม่เจอปัญหาอยากจะเจอแต่เรื่องที่ดีที่งามทีนี้ความจริงของโลกนี้มันไม่ได้เป็นตามความอยากของเราโลกนี้มันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งมีปัญหาและไม่มีปัญหาบใดถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้อยู่เราจะต้องเจอทั้งสรรเสริญทั้งนินทา พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับมันก็อย่าไปอยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันทําใจให้เรารับกับสภาพที่เกิดขึ้นให้ได้อคือมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้กําหนดบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้เปลี่ยนได้ก็คือความอยากของเราปัญหาของเราตอนนี้ไม่ใช่ เรื่องราวต่างๆที่เราพบเห็นแต่ความอยากไ ม, ไม่ให้พบให้เห็นกับเรื่องราวต่างๆนี้อนน่เราต้องมาหยุดความอยากอ ห, หยุดอย่างไรคะอาจารยินดีตามมีตามเกิดไงออ่ย า, าอยาไม่ยากหรอถ้าเราไม่เคยหยุดใจเรามันก็เลยยากถ้าเรานั่งทําสมาธิบ่อยๆเราก็จะหยุดใจเราได้ าการมานั่งทําสมาธิก็เพื่อมาหยุดใจของเราไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆอให้สักแต่ว่ารู้ให้เฉยๆยินดีตามมีตามเกิดแล้วต่อไปจะไม่เดือดร้อนปัญหาต่างๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่ทําให้ใจเราวุ่นวายคือความอยากของเราเนี่เองพอไม่มีความอยากแล้วเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปหมดเข้าใจัหม อ่ามาแก้ปัญหาที่ตัวเราอย่าไปแก้ข้างนอกแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบแก้เรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้แต่ถ้าแก้ใจตัวเดียวนี้จบเลยเคือปล่อยมันมันจะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นแก้ได้ก็แก้ทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ปล่อยไปทำอา่าฝึกไปทำนั่งสมาธิมากๆแล้วใจจะเย็นใจจะเฉย แล้ว เ, เห็นอะไรรับรู้อะไรก็จะไม่วุ่นวายใจเพราะไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเหมือนเราดูหนังเราดูหนังแล้วเราอยากไปเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราเห็นบนจอได้ไหมใช่ไหมหนังมันก็แสดงไปตามเรื่องของมันถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นผู้กำกับห น, นังเองนี่แต่มันกำกับไม่ได้เพราะหนังนี่เขาฉายเขาถ่ายมาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนกับหนังมันกาลัง เรากำลังดูหนังอยู่แต่เราไม่พอใจหนังที่เราดูอยากจะไปเปลี่ยนบทเขา้าเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มันก็เครียดยอะไรแต่ถ้าดูแบบคนดูอมันจะบู๊กับบูไปมันจะเอะหวานกับหวานไปมันจะหวาดเสียวก็หวาดเสียวไปก็ดูมันไปเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไปฝึกทําใจให้เฉยๆะ่ะมาแล้วครับ ระอาจารย์ครับเป็นคำถามแทนผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับซึ่งยังคงทำงานอยู่แต่ว่าต้องการจะสละทุกอย่างเพื่อออกบวชเป็นเพศเพศ เ, เรียกว่าอะไรแม่ชีอะครับฮะก็คือจะสละออกแล้วจะบวชชีตลอดชีวิตแต่ว่ายังติดอยู่ที่ว่าทำงานและเจ้านายเนี่ยเป็นคนดีมากแล้วยังอยากให้ช่วยงานอยู่ แต่ว่าแต่ว่าใจเขาก็อยากออกบวชเนี่ยครับตลอดชีวิตเนี่ยไม่ทราบว่าจะหาทางออกอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็ต้องทําความอยากให้มันเป็นความจริงขึ้นมาออยากเฉยๆแล้วไม่ทํามันก็ไม่เป็นความจริงอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปร้านกว๋วยเตี๋ยวไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินกว๋วยเตี๋ยวมันต้องทํำ ถ้าอยากเฉยๆแล้วไม่ทำมันก็ไม่ได้ผลแล้วถ้าไปติดอยู่กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะไปไม่ได้ดังั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความอยากของเราว่าอยากจริงหรือไม่อยากจริงคนเราถ้าอยากจริงนี้ต่อให้ช่างมาฉุดก็ไม่อยู่ใช่ไหมบางทีพ่อแม่บอกว่าอย่าไปแต่างงานกับคนนี้เลยขอร้องถ้าเป็นถ้าตายมันก็ยังไปแต่งันได้ นั้นแสดงว่าความอยากบวยของเขายังไม่มีกำลังมากพอต้องพยายามสร้างให้มันมากขึ้นถ้ามันมีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางได้คือขาดปัญญานั่นเองยังไม่เห็นว่าสิ่งที่ติดอยู่นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นคณแล้วก็การติดอยู่เขาไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรให้กับเขา ถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเช่นเจ้านายดีก็เลยอยู่ทำงานก่อเจ้านายเพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการไปได้อย่างสะดวกแต่มันก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวตายไปเดี๋ยวมันก็หมดเราจะมาเอาประโยชน์ชั่วคราวรามาเสียสละประโยชน์ถาวรเพื่อประโยชน์ชั่วคราวทำไมถ้าเราออกบวชเราก็จะได้ไปสร้างประโยชน์ที่ถาวร แล้วเสร็จแล้วเราอาจจะมาช่วยเจ้านายคนนี้ให้ไปบวชตามเราก็ได้ให้เขาได้รับประโยชน์อย่างถาวรอีกต่อหนึ่งนี่คือเรามองไม่เห็นนอราเราเห็นแต่ประโยชน์สั้นๆประโยชน์ชั่วคราวเราไม่เห็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้จากการที่เราไปบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพระราชวังก็จะไปไม่ได้ แต่ถ้าไปแล้วพอตัดสรลุแล้วบรรลุแล้วก็กลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ช่วยน้องให้ได้หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากให้เขาพยายามมองแบบนี้ถ้ามองแบบนี้แล้วก็จะทำให้สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เข้าใจัหมคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณกอไก่การพิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกาย เพื่อให้ไม่กลัวความตายความเจ็บนี้ไม่ใช่เฉพาะการทำแบบฝึกหัดเช่นนั่งจนเจ็บหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวประกอบกับการพิจารณาอาการ32ดินน้ำลมไฟแต่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตที่ต้องปรับทัศนคติของผู้ปฏิบัติว่าตามมีตามเกิดทั้งเรื่องกินที่อยู่หลับนอน เหมือนตั้งรงว่ารักษาใจไม่ใช่ร่างกายเอาใจเป็นหลักคือคิดและทำเหมือนกับทุกอย่างเกี่ยวกับการดำเนินของชีวิตทั้ง360องศานั้นให้เป็นไปเพื่อรักษาใจเพื่อปล่อยวางร่างกายอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปล่อยวางทั้งหมด เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดนี่มันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขนั่นเองคำถามต่อมาค่ะการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นต้องตามดูและกำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เราบังคับไม่ได้ค่ะเคยมีอาจารย์สอนว่าให้กำหนดทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่แทรกแซงค่ะ ถ้าหากขณะที่กำลังดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วอยู่ดีๆร่างกายก็หยุดนิ่งขึ้นมาให้เรากำหนดว่ารู้เนอหรือเปล่าคะหรือต้องกำหนดอะไรต่อคะแล้วถ้าช่วงปฏิบัติร่างกายเราจิตเรามีความต้องการทางกามารมเคลื่อนไหวร่างกายเองจิตเราต้องห้ามไหมคะหรือให้กำหนด ตามความเป็นจริงทุกอย่างที่ร่างกายเคลื่อนไหวไปเองตามจิตสั่งคะช่วงที่มีการมารมเราต้องระงับอารมณ์หรือต้องนึกถึงอสุภะหรือเปล่าคะเพื่อให้ร่างกายเลิกทําตามใจอยากแล้วที่บอกว่าให้นึกถึงอสุภะบ่อยๆและความไม่เที่ยงขณะปฏิบัติต้องทําช่วงไหนคะการปฏิบัตินี้มันก็แบ่งเป็นสองภาค ภาคทําการบ้านกับภาคเข้าห้องสอบนะก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบแล้วผ่านทําข้อสอบได้เราก็ต้องทําการบ้านให้ได้ก่อนการบ้านของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้เรายัางไม่ได้เข้าห้องสอบเพราะยังไม่ได้เจอความแก่ยังไม่ได้เจอความเจ็บยังไม่ได้เจอความตายแต่เราจะต้องเข้าสักวันหนึง่งจะต้องเจอมันสักวันหนึง่งนั่น ถ้าเราอยากจะเจอเราผ่านมันได้อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราก็ต้องทาการบ้านไว้ก่อนเช่นสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต่อไปมันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันต้องตายสอนไปเรื่อยๆก่อนนี่เป็นการฝึกเรียนรู้ข้อสอบก่อนว่าจะต้องทำข้อสอบอะไรการที่สอนก็ลองไปฝึกทำการบ้านดู เวลาเห็นคนแก่ก็ดอบกลับมาที่ร่างกายเราแล้วว่าต่อไปร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้รับได้ไหมหรือว่าจะต้องไปทำสัญญกรรมหรือว่าจะต้องไปย้อมเผ่อย้อมผมหรือทำอะไรอย่างต่างเพื่อไม่ให้มันแก่ถ้าเรายังไปทำอย่างนี้อยู่แสดงว่าเรายังรับความแก่ไม่ได้รับไม่ได้เราก็จะต้องทุกข์เพราะว่าทำยังไงมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อย จนถึงวันหนึ่งที่มันจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าไม่ทำใจมันก็จะทุกกับความแก่ไปข้อที่สองคือความเจ็บของร่างกายหลักสังวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ต่อให้มียากินมันก็ยังเจ็บอยู่ก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะอยู่กับความเจ็บได้หรือไม่เราก็ต้องลองทำการบ้านนั่งนั่งสมาธิแล้วให้มันเจ็บดู เวลาเจ็บก็อย่าไปขยับพยายามสอนใจให้ให้นิ่งให้เฉยเหมือนกับที่เมื่อกี้ถามเรื่องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบความเจ็บนี่ก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งเราถ้าฝึกทำสมาธิได้ทำใจให้นิ่งได้เราก็จะอยู่กับความเจ็บนั้นได้ดังั้นเวลาเกิดความเจ็บถ้าเราฝึกสมาธิทำสมาธิเป็นพุทโธพุทโธไปไม่ไปยุ่งกับความเจ็บความเจ็บมันก็จะไม่มารบกวนใจ เพราะสิ่งที่รองควญใจไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากให้มันหายเจ็บแต่ถ้าเรามีสติควบคุมความอยากนี้ไว้ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ความวุ่นวายใจก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็จะอยู่ภาคความเจ็บได้อันนี้ก็เป็นการทําการบ้านแล้วทาข้อสอบ พ, อพร้อมๆกันเลยเพราะมันเป็นของจริงส่วนความตาเนี้เราก็ ไปดูคนตายแล้วก็ย้อนกลับมาถามตัวเราว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นแบบนี้รับได้หรือไม่ถ้ารับได้เราก็ไปเข้าห้องสอบดูไปหาที่ที่คิดว่าจะทำให้เกิดความตายขึ้นมาได้ที่ที่ที่เรากลัวอย่างนี้แล้วดูซิว่าเราจะดับความกลัวได้หรือไม่ถ้าเรายอมตายเราก็จะดับความกลัวได้ถา้าเราถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องตาย แล้วอาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้เพราะความกลัวของเรานี่มันบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเรายอมตายจริงๆมันก็จะดับความกลัวตายได้อันนี้ก็เรียกว่าการเข้าห้องสอบส่วนอสุภะนี่ก็เหมือนกันตอนนี้เราไม่มีการมาลมเราก็ไม่มีความรู้สึกวุ่นวายแต่เวลาเกิดการมาลมขึ้นมารู้สึกมันหงุดหยิดดำคลาญใจ อยากจะอยู่ใกล้คนนั้นอยากจะร่วมนอนกับคนนั้นนอันนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นนี้เราก็ฝึกดูสุภาพไปก่อนนึกถึงคนที่เรารักเราชอบดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาเช่นดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายของเขาดูโครงกระดูกของเขาดูอวัยวะเช่นลำไส้อลายต่างๆถ้ามองไม่เห็นภาพก็ไปเปิดหนังสือดูก็ได้ เรา อ, อยากจะดูของจริงก็ไปดูที่โรงพยาบาลเวลาเขาผ่าศพจะได้เห็นว่าภายใต้ผิวหนังนี้เวลาผ่าออกมาแล้วจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันมีอะไรไว้บ้างหรือไปดูคนตายไปดูศพที่เขาไม่ได้เผาแล้วปล่อยให้มันเปื่อยมันผุมันพองแล้วเน่าอย่างี้ดูแล้วก็คิดถึงร่างกายของคนที่เราลักเราชอบว่าเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ ถ้ามองเห็นอย่างนี้บ่อยๆมาแล้วจดจำได้เวลาที่เราเห็นหน้าเขาเห็นตัวเขาแล้ว เ, เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะนึกถึงภาพอีกด้านหนึ่งถ้าเรานึกได้แล้วดับความอยากได้ปัญหาก็หมดไปแสดงว่าเราสอบผ่านแต่ถ้าเราไม่ทำการบ้านไว้ก่อนพอถึงเวลามันจะนึกไม่ออกไม่รู้จะนึกภาพไหนดีเห็นแต่ภาพที่เห็นกับตาตอนนี้ แล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาอันนี้คือวิธีการของการปฏิบัติมันมีสองขั้นตอนขั้นทําการบ้านและขั้นเข้าห้องสอบก่อนที่จะทําการบ้านและเข้าห้องสอบได้เราต้องมีเครื่องมือก่อนคือใจเราต้องนิ่งมีสติถ้าใจเราไม่นิ่งจะเราจะทําการบ้านไม่ได้เหมือนเด็กนี้ถ้าใจไม่นิ่งนี้มักอยากจะไปเที่ยวไปเล่นเกมกัน ก็จะมาไม่อยากจะมานั่งทําการบ้านแต่ถ้าใจมีสมาธินิ่งมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดอยากเที่ยวอยากเล่นมันก็จะได้มีกําลังที่จะมาทําการบ้านเพราะการบ้านนี่ต้องทําอยู่บ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะฝังอยู่ในใจถ้าไม่มีสติควบคุมใจให้สงบให้นิ่งมันจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส เดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวไปดูไปเล่นไปทำอะไรต่างๆไปคิดถึงเรื่องต่างๆแต่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้อันนี้ก็ขั้นต้นยังต้องฝึกสติก่อนให้รู้อยู่กับร่างกายรู้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือรู้อยู่กับพุทโธเพื่อดึงใจให้นิ่งไม่ให้ลอยไปลอยมาพอใจนิ่งแล้วก็สามารถกำหนดให้มันอยู่กับการเรื่องของการทำการบานได้ ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอสุภะได้เพื่อให้จดให้จําให้ยอมรับความจริงให้ได้เมื่อคิดว่าพร้อมที่จะรับความจริงแล้วก็เวลาเข้าห้องสอบด้วยการสมัครใจหรือด้วยการถูกบังคับมันก็จะรู้ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ในตอนนั้นคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคําถามแรกคนที่นั่งสมาธิ ยังไม่ไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วได้ยินเสียงแม้จะเป็นการบอกเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงหรือแวบเห็นหน้าคนนั้นคนนี้อันนี้ก็ยังถือเป็นนิมิตยังไม่ถึงขั้นอุปจารสมาธิใช่ไหมคะเพราะเขายังไปไม่ถึงอปปนาสมาธิเพียงแต่มีสิ่งเหล่านี้มาให้รับรู้ก่อน มันก็มันจะเป็นอะไรจะเป็นอุปจาระหรือไม่เป็นอุปจาระอันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นประเด็นก็คือเราจะพิจารณาปฏิบัติกับมันอย่างไรตามหลักแล้วก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักอย่าไปให้ความสำคัญกับมันอย่าไปสนใจมัน่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นมากเป็นผลให้เราเป็นสนใจกับสิ่งที่จะทำให้เกิดมากเกิดผลดีกว่า ก็คือความสงบความเป็นอุเบกขาของใจคำถามที่สองค่ะในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งเราควรตั้งเป้าหมายไปที่ความสงบการรวมของจิตหรืออัปปนาสมาธิโดยอยู่กับสติมีอะไรมาให้รับรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจอยากจะลุกก็ไม่ลุกอยู่กับพุโทโธหรืออารมณ์ที่ใช้ภาวนาไปจนกว่าจิตจะรวม จะเป็นได้อย่างนี้กําลังสติต้องมีมากพอใช่ไหมคะอต้องตั้งตั้งใจอยู่ที่สติอย่าไปตั้งใจอยู่ที่ผลอย่าไปตั้งใจว่าเมื่อไหร่จะรวมสักทีเมื่อไหร่จะรวมสักทีถ้าตั้งแบบนี้ไม่มีวันรวมให้ตั้งอยู่ที่สติให้อยู่พุทโธพุทโธไปเนื้อดูลมไปอย่างเดียวมันจะรวมไม่รวมช้าหรือเร็วไม่เป็นไม่อย่าไปสนใจถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมแล้วเดี๋ยวมันรวมเองแต่ถ้าไป อยู่ที่การรวมมันจะไม่รวมไปนึกว่าเมื่อไหร่จะรวมทั้งที่นั่งมาต้องนานแล้วยังไม่รวมเลยหรือคราวที่แล้วรวมคราวนี้ไม่รวมออย่างนี้มันไม่ได้นั่งสมาธิมันนั่งคุ้งซ่านคำถามฝากถามค่ะถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะสอนและให้อุบายเรื่องอยู่กับทุกขเวทนามามากมายแต่หนูก็มีความยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟัง โดยเฉพาะเวลาฟังหลวงพ่อแบบสดๆมันเหมือนทุกขเวทนานั้นได้แยกขาดจากกายและใจไปจริงๆเวลานั่งบนศาลาฟังเทศหลวงพ่อแล้วเจ็บปวดเจอมดกัดยุงกัดความรู้สึกนั้นมันเหมือนอยู่คนละที่กับใจความรู้สึกขณะนั้นมันเหมือนจะทิ้งกายได้จริงๆแต่พอกลับไปนั่งเองภาวนาเองมันจอะทุกที มันเหมือนสิ่งที่หลวงพ่อสอนไปนั้นลืมไว้ที่ศาลาจะทำอย่างไรให้ความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันแยกออกจากกายและใจได้ตลอดเวลาเหมือนในขณะที่ฟังเทศอยู่กับหลวงพ่อคะก็ฟังเทศไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มีซีดีไปเปิดฟังได้แล้วยูทก็มีก็ฟังไปก่อนถ้าเรานั่งโดยที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ก็นั่งแบบฟังไปก่อนจนกว่า สติของเรามีกําลังมากพอมันก็ไม่ต้องฟังก็ได้ถ้ายังต้องอาศัยเสียงธรรมไปนอกอยู่ก็ฟังไปก่อนแต่พอถ้าเรามีสติดีพอควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมได้แล้วก็ผ่านความเจ็บได้เราก็ไม่ต้องใช้การฟังการฟังนี่ก็เป็นเหมือนการเสียงธรรมนี่ก็เป็นเหมือนพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูเราตอนที่เรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้ แต่พอเราโตขึ้นแล้วเรามีกำลังที่จะเลี้ยงดูเลียเ้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้เราก็ไม่ต้องพึ่งพาสายพ่อแม่ต่อไปถ้ายัางพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งการฟังธรรมไปก่อนอมีใครอยากจะถา ม, มอีกไหมทางนี้ยกมือแล้วค่ ะ, ะออตอนที่นั่งฟังธรรมหลวงพ่อค่ะรู้สึกเหมือน มีน้ำใสไหลยเย็นๆลดผ่านใจค่ะรู้สึกว่าจิตใจมันล่าเริงแล้วมีความยินดีค่ะจะถามหลวงพ่อว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจิตใจเขาเป็นอย่างไรเขาสงบนิ่งดูเคข่งขึมไอ้ความล่าเริงยินดีอันนี้มันแสดงว่าใจยังไม่เฉยใช่ไหมคะ มันก็เป็นขั้นปิติขั้นสุขนั่งสมาธินี้ก่อนจะเข้าสู่อุเบกขาความสงบนิ่งได้ก็ต้องผ่านวิตกวิจารณ์ผ่านปิติผ่านสุขไปก่อนข้อที่สองค่ะหนูมีความเข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ดีมักจะต้องนั่งสมาธิแบบไม่ขยับขยื้อนกายเลยอะค่ะเอนนั่งสมาธิก็ต้องไม่ขยับถ้าขยับก็แสดงว่าใจไม่สงบอะ งั้นการปฏิบัติทําได้ดีก็คือนั่งท่าไหนก็ท่านั้นถึงจะเมื่อยก็ไม่สลับขาใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น ค, ควรจะปล่อยวางร่างกายในขณะที่นั่งทําสมาธิให้เกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธหรืออารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว้ค่ะหลวงพ่อมีเคล็ดลับให้นั่งโดยไม่สลับขาไหมคะก็นั่งบ่อยๆค่อยอฝึกสติให้มากก่อนจะมานั่งนี่ต้องฝึกสติก่อน สตินี้ฝึกได้ตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธได้เลยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปถึงเรื่องต่างๆคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวนอกจากเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดก็คิดด้วยด้วยเหตุด้วยผลพอคิดเสร็จก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อไปเมือ่อให้ใจตั้งมั่นไม่ให้ลอยไปลอยมาพอเวลานั่งสมาธิเราก็ใจก็จะได้ตั้งมั่น เวลาเกิดความเจ็บมันก็จะไม่ไปสนใจมันก็จะไม่ส ะ, สะทกสะทานต่อความเจ็บของร่างกายค่ะขอพระคุณค่ะหลพ่อเจ้าคะนั่งสมาธินี่คือนั่ง ท, ที่ที่ทำอยู่ก็คือว่านั่งไปได้ประมาณสี่สิบห้าทีมันจะมีการปวดทุกเขเวทนาเรื่องขาค่ะแล้วคราวนี้ก็คือว่า ก็ภาวนาไปพอปวดปุ๊บก็เลยหยุดหยุดปุ๊บก็คือจะใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาลงไปว่าจิตกับเอาสูตรเดิมมหาจิตกับเวทนามันคนละส่วนกันคราวนี้ก็พิจารณาผ่านผ่านคือหมายความว่าใจไม่ปวดนะคะแต่เวทนายอย่างอยู่แต่ว่าคราวนี้จะมีอารมณ์แทรกก็คือว่าใจอ่ะไม่ชอบพอไม่ชอบก็พิจารณาลงไปอีกว่าที่ไม่ชอบเพราะว่าใจเราไม่เป็นกลาง คราวนี้จะเป็นกลางได้ยังไงก็รู้ว่าสติไม่พอแล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกๆครั้งที่ทำค่ะก็ก็คือจะจะจ ะ, จะเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้ที่เราไม่ปวดคือมันไม่เพนที่ใจแต่ว่ามันเพนที่ขาก็พอรับได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่แต่จะทำยังไงให้ใจเราเนี่ยไม่ไม่ไปไม่ชอบอะไรค่ะ ก็ขั้นตอนก็ต้องถามใจให้มันเฉยก่อนงไงก็ต้องใช้สติถ้าสติไม่กําลังไม่พอก็อัดมันเข้าไปเลยพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสาพุโทโธสี่พุโทโธห้าไปอย่าหยุดแล้วถ้ามันทําได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะเฉยได้ เฉแล้วต่อไปมันก็จะเห็นโทษของความรักความชังมันก็ต้องมันต้องก็เห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นโทษเวลาลักเวลาชังมันเกิดความอยากขึ้นมาแต่เวลามันเฉยมันจะไม่เกิดความอยากดังั้นต้องพยายามทําใจให้มันเฉยให้มากสติไม่พอก็อัดมันเข้าไปตอนนั้นเลยอย่าลุกพุโทโธหนึ่งพุโทโธสพุโทโธสาพุโทโธสี่ไป 1, 1, <laughs> ถึงพุทโธพันพุทโธเท่าไหร่ก็ทำไป อันนั้นนะ uh huh. เป็นการสร้างสติหรือสวดมนต์ก็ได้ใช่ไหมคะ อ, อะไรก็ได้ oh oh. แต่อย่าลุกอย่าถอยถ ต, อตอนแรกเนี่ยตอนในวังวันตอนแรกท่านสติดีก็จะดูลมไปก่อนค่ะแล้วพอพอมีเพนมีปวดก็พิจารณาปุ๊บอพออยู่ได้ก็ดูลมต่อพอเพนมากๆคือต้องมากนะคะถึงจะใช้ปัญญาอบลมมัน mm hmm. แล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่พอมาถึงประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงก็แบบไม่ชอบเลยอะ่ะแบบ ทำไงอ่ะอะไรอ่างเงปรงแล้งวไงอ้อค่ะก็คือไม่อาจไม่อัดบริกรรมอ๋อคือใจเราไม่สู้แล้วใช่ไหมล่ะคะหยุขี้เกียจแล้วขี้เกียจถือว่าใกล้เป้าหมายแล้วค่ะสองชั่วโมงเหมือนเดือต้องแจวมันไปเรื่อยๆเพีงกว่าจะถึงฝั่งโอ้เจหยุดแจวเดี๋ยวมันล่มนะอ๋เจ้าค่ะแล้วก็คาถามก็คือว่าเออการที่เราเข้าสมมติว่าเออพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะเวททุกทเวนาปุ๊บก็จะ ไปสู่อัปปนาใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอถ้าเราต้องผ่านทุกขเวทนาให้สําเร็จก่อนถึงจะเข้าอัปปนาได้พอเข้าอัปปนาได้เนี่ยเราจะได้ตลอดไหมคะหรือว่าเราจะต้องซ้อมทําไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ๆอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนยิงปืนหัดยิงปืนบางทีก็เข้าเป้าบางทีก็ไม่เข้าเป้าแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราสามารถทําให้มันเข้าเป้าได้เข้าไปได้อย่างไรใช่ไหมคะเราก็พยายามทําบ่อยๆขึ้นซ้อมให้มากขึ้นออื แ ต, แต่มันภ า, ภาษาฝรั่งก็ practice make perfect yeah. อ๋อไม่ได้กับครั้งเดียวปึง้งครั้งต่อไปสบายแล้วยิ้มก็ทดล อ, องดูสิอาจจะยิ้มก็ได้อาจจะไม่ยิ้มก็ได้ห <laughs> น้าเขียวค่ะตอนนี้ <laughs> มันทรมานมากเลย <laughs> ลเจ้าค่ะก็คำถามก็คือว่าถ้าเราจะสร้างกําลังสติของเราเนี่ยให้ให้มันผ่านทุกขเวทน า, าเข้าอัปนาปึ้งได้เนี่ยคะ่ะแต่ว่าสติเราต้องทำยี่สสี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องถือศีลแปดให้ครบ ทุกวันหรือเปล่าเจ้าคะสินแปดมันช่วยให้เราไม่ไปทะเลทลายไปคิดเรื่องอื่นไงถ้าเราไม่ถือสินแปดเด็กก็ไม่นั่งดูทีวีนั่งเล่นเกมนั่งอ่านหนังสือแฟชั่นหรืออะไรต่างๆใจมันก็ไหลลอยไปไม่ไม่ตั้งแล้วมันไม่มีสติแล้วแต่หนูทํางานค่ะแต่หนูไม่ไปทะเลทลายนั่นแหละถ้าทะเลทายทางใจไงการทํางานก็เป็นการทะเลทลอย่างอมันออกจากการปฏิบัติก็เรียกว่าทะเลทลายแล้ว อ๋อนะคะก็แสดงว่าจะไม่มีโอกาสไปอัปนาได้ถ้าเกิดยังทำงานอยู่ใช่ไ้มคะการอยถ้5วันเจ็บ10วันก็มาอยู่วัดอย่างนี้กอาจจะมีโอกาสได้ในช่วงนั้นก็ได้อ๋ออาจจะเป็นลัคกี้ค่ะแล้วก็ อ, อไอนี่อ๋ออีกอันหนึ่งค่ะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าความคิดของเราถือว่าคิดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันสามารถสร้างภพ หน้าได้หรือเปล่าคะ่ะหรือว่าการกระทำเท่านั้นก็นั่นแหะความคิดจะเป็นตัวชุนลากให้เราไปเกิดใหม่เราต้องหยุดคิดแล้วค่ะเออมีวันหนึ่งที่ที่เราไปทํางานคะ่ะแล้วกลับมาบ้านแล้วเราจําอะไรไม่ได้เลยคะ่ะแล้วเราก็นึกแค่พุโทโธอย่างเดียวก็เลยยังคิดว่าเ อ, อ๊ะความจําเราจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรทั้งหมดเนี่ยทํางานทํานู้นจําไม่ได้เลยคะ่ะทําจําได้แค่เออ ต้องพูดโธพุทโธพุทโธแล้วก็นั่งพุทโธอย่างเดียวก็นั่นแหละความจํามันก็ไม่เที่ยงอจําได้ก็ลืมได้ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญสิ่งที่ลืมก็ไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรออืวันที่ลืมได้ก็ดีเสซะแค่ดได้วันทีไอ้เรื่องที่ไม่ควรจำกลับไปจําจําแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ถ้าลืมได้มันก็ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้แต่เรื่องนั้นมันไม่ค่อยลืมเลยเรื่องที่มันแบบ ตอกย้ําเจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหมดแล้วเหรอมีไหมอ๋กม <laughs> อการไา่เลยเจ้าค่ะไม่คําถามอะ่ะอ๋อคําถามหนูเหรอคะหนูยังยังยังไม่หมดข้ามทุกคเวทนาไม่ได้เจ้าค่ะเหลือย่กระถามะไะ้ต่อป่ะอ๋อจะอ๋ออีกคําถามสุดท้ายหนูพ่พ่อทราบนะคะคือหนูอยากเรียนถามว่า ตอนที่หลวงพ่อปฏิบัติตอนผ่านทุกเวทนาเนี่ยค่ ะ, ะมันทรมานจิตใจมากหรือเปล่าคะมันก็ไม่ถึงกับท่านนั้นเนี่ยมันก็พอพ อ, พ อ, พ, อพอหอมปากห อ, อมคอโอ้โหทำไมหนูรู้สึกมันทรมานมากเลยนะคะเพราะมันต่อต้านมากไงกิเลสมันต่อต้านมาก<อ>มันก็ทรมานมากอ๋อคะ่ะ กำลังทําน้อยมันก็ทําให้กิเลสมันต่อต้านได้มากถ้ากําลังทํามากมันก็ต่อต้านไดน้อยอ๋อแล้วค่ะค่ะค่ะมันอยู่ที่การปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างน้อยไปสติของเรายังน้อยไปมันก็เลยกําลังที่จะสู้กับกิเลสมันไม่มากพอมันก็เลยทําให้ทรมานมากแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันกําลังของธรรมจะมีมากขึ้น แล้วมันจะทำให้เราผ่านมันได้ง่ายขึ้นอ๋อเจ้าค่ะค่ะงั้นตอนนี้ก็ก็ทำไปเท่าที่เราทำได้ผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ถือว่ากำลังของทำยังไม่มีมากพ อ, อเพราะเวลาที่จะให้กับการสร้างกำลังนี้ยังไม่มีนั่นเองบัวเอาเวลาไปทำมาหากินซะก่อนออก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอะไรดีจะเอาทรัพย์หรือจะเอาทะ เราทำก็ออกจากงานเห็นไหมเราเราตัดสินใจเราเอาทำเราลาออกจากงานแล้วเราก็มีเวลาทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติทําได้ทั้งวันทั้งคืนมันก็ง่ายเวลาจะผ่านเวทนามันก็ไม่ยากถ้ามีสติแล้วมันทุกอย่างมันจะไปได้เองไม่ลาบาก บางคนสำเร็จภายได้เจ็ดวันใช่บางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีขึ้นอยู่กับกำลังของสติของแต่ละคนหนูเข้าใจหว่าหนูอาจจะมีของเก่าคิดไปเมาบ้างถ้ามีป่านนี้มันก็ต้องมันก็ต้องแสดงผลให้เห็นน <c oughs> <c oughs> ั่นเลยแสดงว่ามันไม่มีเลยไม่ไม่มีจะมาที่นี่ได้ไงงั้นช่วงนี้อาจจะไปอยู่แถวฮ่องกงหรือแถวเกาหลีแล้วก็ได้ โอ้ไม่เจ้าค่ะอยู่วัดก็คือก็่แะแสดงว่ามีบุญเก่าก็มีอยู่ถึงมาที่นี่ได้ถ้าบุญเก่าไม่มีก็มาไม่ถึงที่นี่เหลวงพ่อเมตตาเจ้าค่ะเ็เลยได้มาหลวงพ่อจะให้การบ้านหน่อยไหมคะจะกลับพรุ่งนี้แล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นเนี่ยค่ะสติเนี่ยตัวสําคัญพยายามจะเล่ให้มากอย่าคุยกับใครอยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างอยู่คเอต่างคนต่างจะเล่นสติ คุยเท่าที่เรื่องจำเป็นจะต้องคุยกันไม่จำเป็นก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของการของร่างกายก็เกาติดอยู่กับงานของร่างกายกำลังทำอะไรอยู่แค่อยู่กับมันไปแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปบน่นคิดนู่นคิดนี่บ่นอยู่ไปภายในใจอันนี้ก็ไม่มีสติแล้วต้องรู้เฉยๆค่ะขอบพระคุณค่ะ อ่ามีใครอยากจะถามมั้ยอ่ามีคนส่งไม้ไปทางนี้หน่อยสิคนนี้ถามนิดคำถามเดียวค่ะก็คือเวลาทำงานอยู่เนี่ยค่ะก็คือส่วมนมาจะลืมสิ่งอื่นไปแล้วอะค่ะเช่นเช่นวันนัดอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้ลืมสิ่งที่นัดไว้อะค่ะเช่นนัดประชุมหรือวันนัดใกล้ใก้ไวเนี่ยลืมไปเลยค่ะคือ สมาธิจะอยู่แต่ตรงหน้ามากะตัวนี้แก้ไขได้ไหมคะเป็นเพราะอะไรคะก็พราะมันไม่คิดถึงมันมันก็ลืมไปเลยก็ทําสมาธิเพื่อไม่ให้คิดไงเมื่อไม่คิดมันก็ลืมมันก็เห็นเสียหายตรงไหนก็เสียงานแต่ไม่เสียใจจะเอาอะไรล่ะจะเอาใจหรือจะเอางานก็ต้องเลือกเอาคถ้าจะเอางานก็จะไม่ได้ความสงบก็จะเสียใจได้งานแต่เสียใจถ้าเสียงานแต่ได้ใจจะเอาอะไรดีกว่า ค่ะใช่ไหมถูกดุค่ะขอบพระคุณค่ะมีใครถามอางไหมถ้าไม่มีก็จบนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้เอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน